สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิ่เสียพิบาลนะครับขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เฉลิมฉลองชัยชนะของพระเยซูที่ได้สิ้นพระชนโพแมงเขนและเป็นกึ้เหียดความตายและทั้งสองอย่างนี้จะต้องควบคู่กันไปตลอดก็คือการสิ้นพระชนและการฟื้นขืนพระชนพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในตอนที่ห้าร้อยหกสิบสามผมจะขอแบ่งปัน เกี่ยวกับเรื่องความสำคัญของการเป็นขึ้นมาจากความตายที่มีต่อคิเทศาสนาและหลักความเชื่อของคริสเตียนเราคิเทศศาสนานั้นจะตั้งอยู่ได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความจริงเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายว่าจริงหรือเท็จองพระบุญเจ้าของเราพระเยซูคริสต์โปรงได้ตรัสว่าขณะที่โปรงจะเสด็จไปสู่กรุงเยรูซาเลม็ม โปร่งก็จะถูกโปร่งพชนและในวันที่สามโปร่งจะเป็นขึ้นมาจากความตายและเสด็จออกมาจากอุโมงค์ฝังพระศพโดยการ บ, บอกรายละเอียดอย่างชัดเจนถ้าจะถามว่าการใช้การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระคิดนั้นเป็นข้อพิสูจน์ว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าได้อย่างไรนั้นเราก็อาจจะตอบได้ว่าประการแรกก็คือพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยฤทธิอานาจของพระองค์เอง พระองค์มีสิทธิ์ที่จะสละชีวิตนั้นและมีสิทธิ์ที่จะรับคืนอีกเรารู้นะครับว่าพระเยซูถูกชุบขึ้นมาจากความตายโดยพระบิดาและเพราะว่าสิ่งที่พระบิดาทรงกระทานั้นพระบุตรก็กระทาด้วยยกอย่างเช่นการนรมิตสร้างโลกฟ้าสวรรค์ภาชกิจต่างๆนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นรารกิจของพระบิดา เท่าๆกับเป็นพระลิขิตของพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในนี่คือองค์ตรีอการุภภาพเพราะฉะนี้เราจะเห็นว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าก็คือโปร่งทรงเป็นขึ้นมาจากความตายประการที่สองก็คือการเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นเหมือนตราประทับของพระเจ้าที่รับรองคํากล่าวของพระเยซูที่ว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นสองข้อนี้่ครับ ก็ทําให้เราแน่ใจได้ว่าพระเยซูนั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้าเพราะว่าพระเยซูเป็นกี้เหนียวความตายด้วยตัวเองซึ่งเทียบเท่ากับพระบิดาทรงชุบในขณะเดียกันพระเยซู ก, ก็เป็นขี้เหนียวความตายก็เปรียบสูงเหมือนกับเป็ตราประทับที่พระเจ้ารับรองนะครับถ้าพระเยซู ย, ยังตกอยู่ในอํานาจของความตายต่อไปก็เท่ากับว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงรับรองคากล่าวของพระเยซู แต่โดยการที่พระเจ้าทรงชุบพระเยซูให้เป็นกเหลีย่ยงความตายก็เท่ากับว่าพระองค์ทรงรับรองต่อหน้าคนทั้งปวงอย่างแน่ชัดว่าท่านผู้นี้เป็นพุทธของเราพี่น้องครับนี่คือเหตุผลที่เต็มไปด้วยหลักฐานที่ปรากฏชัดอยู่ในพระคัมภีร์ของเรานะครับและการเป็นกะเหลีย่ยงความตายนั้นเป็นรากฐานที่แท้จริงของคําเทศนาของเปโตในวันเปนเดคอสด้วยเช่นเดียวกัน เราจะพบเรื่องนี้ในพระธรรมกิจการครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าถ้าเรายกเอาหลักข้อเชื่อเรื่องการเป็นขึ้นเหนือความตายนั้นออกจากคําเทศนาของเปโตรในวันนั้นคําเทศนาของเปโตรนั้นก็ไม่มีหลักแล้วนะครับไม่มีน้ําหนักอีกต่อไปนะครับเพราะว่าเปโตรนั้นพูดถึงเรื่องการเป็นขึ้นเหนือความตายในสภาวะที่เป็นคําอธิบายการสิ้นพระชนของพระเยซูนะครับ พระเยซูก็จะเป็นผู้เป็นพระมาซีอาผู้ซึ่งต้องประสบกับความตายตามคำพยากรและไม่เพียงแต่เท่านั้นเป็นเหตุการณ์ที่อัครทูตผู้ได้เห็นด้วยตานั้นก็ให้คำยืนยันอัครทูตทั้งหลายนะครับที่เห็นด้วยตาว่าพระเยซูถูกตรึงและเป็นขึ้นอกความตายและนี่คือเป็นสาเหตุของการเทลิดเจของพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ลงมาในวันเพนเทคเซหรือเพนเทคอส เป็นการรับรองว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์และเป็นเมสสิยาที่มาช่วยชาวโลกให้รอดฉะนั้นสรุปอย่าอย่างนี้นะครับว่าถ้าไม่มีการเป็นขึ้นมาจากความตายตำแหน่งกษัตริย์และพระเมสสิยาของพระเยซูก็ไม่มีหลักฐานรับรองครับการเทพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ในวันเพนเทคสเตหรือเพนเทคอสก็ยังเป็นข้อสงสัยสาระสาคัญของคาพยานของอัคารทูตในกิจการและในจดหมายฝากต่างๆนั้นก็จะหายไป นะครับแล้วก็ถ้าไม่มีการเป็นขึ้นเหนือนความตายพระเยซูก็ไม่ต่างอะไรกับพวกบรรด า, าศาสดาทั้งหลายหรือผู้เผยพระเจชนะทั้งหลายและแม้ว่าพระาชกิจ ต, ต่างๆการอัศจรรย์ต่างๆการสั่งสอนของพระเยซูนั้นก็ไม่มีการรับรองเลยถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นเหนือนความตาย<ฆ>พี่น้องครับเราจึงสามารถมั่นใจได้ว่าความเชื่อของเรานั้น ในเรื่องการเป็นขี้เหนียวความตายเป็นเสาหลักเป็นเสาหลักของความเชื่อคริสเตียนเราครับถ้ายกเอาเสาต้นนี้ออกไปทุกอย่างพังทลายหมดเลยครับการเป็นขี้เหนียความตายก็ถือได้ว่าเป็นหลักข้อเชื่อพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของคริสตจักรและเราจะเห็นว่าเรื่องของการเป็นขี้เหนียความตายนั้นสอดแทรกอยู่ทั่วพระกมภีร์พันธสัญญาใหม่นะครับถ้าเราจะยกข้อมภีที่เกี่ยวข้องกับการเป็นขี้เหนียความตายออกไปนะ ก็เหลือแต่ข้อความที่ไม่ปฏิปต่อกันแล้วก็ไม่มีหลักฐานนะครับไม่มีข้อพิสูจน์แน่นแฟนเพราะฉะนั้นถ้าการเป็นกับความตายไม่มีนะครับพวกเราทึ่งเหมือนกระเสียนั้นก็เป็นพวกที่น่าสังเวชที่สุดในบรรดาคนทั้งปวงเพราะฉะนั้นสาระสําคัญของการติดตามพระเยซูนะครับไม่ใช่ติดตามศาสดาและทําให้ดีที่สุดแต่การที่พระเยซูเป็นขื่อความตาย ทำให้เราสามารถไว้วางใจพระเยซูได้และเรามั่นใจได้ว่าพระเยซูนั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้าและเป็นผู้ที่ช่วยเราทั้งหลายได้นะครับและถ้าการเป็นขึ้นมาจากความตายไม่ได้เปนความจริงอํานาจของความตายและของบาปก็ยังคงอยู่การสิ้นพระชนของพระเยซูเพื่อไถ่าบาปก็ไม่มีความหมายใดๆเลยครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็ยังคงอยู่ในบาปต่อไปนะครับเหมือนกับคนที่ไม่ได้ยินพระนามพระเยซูนั้น สิ่งต่างๆที่เราเชื่อถือกันมาก็หมดความหมายในที่สุดพี่น้องครับมีคนคนหนึ่งเป็นนักป ร, ราบชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงชื่อว่าจอร์นล็อกแก้กล่าวอย่างนี้นะครับแกกล่าวว่าการเป็นกุญแจความตายของพระเยซูพระผู้ไถ่ของเรามีความสําคัญต่อความเชื่อของเราสําคัญถึงขั้นที่ว่าพระเยซูจะเป็นพระเมสสิยาได้หรือไม่นั้นก็อยู่ที่ว่าทรงเป็นกี่แจความตายได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นสองเรื่องที่ไม่อาจแยกจากกันได้นะครับ ก็คือการสิ้นผชนนะครับการไถ่บาปและการเป็นที่เหนือความตายนะครับแยกกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการเป็นที่เหนือความตายนี่เป็นฐานที่มั่นสุดท้ายครับมีคนพูดวี่ว่าการเป็นที่เหนือความตายนี่เป็นเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของความเชื่อพุทธเตียนถ้าล้มหลักข้อเชื่อนี้ได้หรือล้มความเชื่อนี้ได้คุณก็จะสามารถทําลายศาสนาพิติได้ทั้งหมดพี่น้องครับ <c oughs> ในศัตวรษที่หนึ่งนะครับ หลักข้อเชื่อนี้หรือคําสอนเรื่องการเป็นกิเลสความตายนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เพราะฉะนั้นในศตรวรรษที่ยีสบเอ็ดของพวกเราผมก็เชื่อว่าการที่เราจะมีประสบการณ์กับการเป็นกิเลสความตายของพระเยซูพระเยซูของเราทรงพระชนอยู่นะครับเราจะมีประสบการณ์กับพระองค์ได้อย่างแน่นอนและพระองค์จะสามารถช่วยเราได้เมื่อเราอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์ เมื่อเรายอมที่จะประวนาตัวผูกพันตัวเองเข้ากับพระองค์มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระองค์นั่นแหละครับก็คือการที่เราจะเปิดช่องทางที่เราจะสัมผัสและประจักษ์ถึงการเป็นกิเลสความตายและการทรงประชนอยู่ขององค์พระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อที่เราจะมั่นใจสุดท้ายครับผมอยากจะฝากเพิ่มพีตอนหนึ่ง หนึ่งโครินบทที่สิบห้านะครับข้อสิบเจ็ดมีความว่าดังนี้ครับถ้าพระเยซูคริสต์ไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาความเชื่อของท่านก็ไรประโยชน์ถ้าพระเยซูคริสต์ไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาความเชื่อของท่านก็ไรประโยชน์อาเมน